หลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อสบายดียิมย้มแย้มแจ่มใส <c oughs> ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพ ย, ยมน้อยโยมเป็นย่งบ้างสติเกิดบ่อยไหมใช้ไหมเนี่ยประธานโทษค่ะช่วย <c oughs> ถามหน่อยสติเกิดบ่อยหรือยังอ๋อก็บ่อยมากขึ้นเจ้าค่ ะ, เ, เ, ะหเห็นกิเลสเยอะไหมเห็นกิเลสเยอะไหมหรือไม่โฟลเลย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 ตอนนี้รู้สึกแล้วเดี๋ยวก็หลงใหม่แล้วก็รู้สึกใหม่ชีวิตมีค้คล้ายๆขาดเป็นช่วงๆถ้าขาดเป็นช่วงๆเราตอนจะเห็นเลยว่าประเดี๋ยวก็หลงปรเดี๋ยวก็รู้จิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้จะเห็นเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลคือทั้งรู้ทั้งหลงเนี่ยล้วนแต่ไม่เทีย่ยงทั้งรู้ทั้งหลงล้วนแต่บังคับไม่ได้เสมอภาคกัน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 สามอก็จำได้ก่อนหน้านั้นก็จำได้แล้ว เ, เราเราพอสอนสาร้อนี่อยู่กับอาจารย์อาจารย์ชื่อปียัตสีจำได้แม่นนะอยู่ในป่านี่อาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังมากินลึกๆเลยที่หน้าแข้งถ้านนี่หายาหาใบไม้หาอะไรมาพอกนะยามารักษาไม่หายพออาจารย์ใกล้มรรนภาพนะนั่งร้องไห้เลยพระนี่อาจารย์ก็สอน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 ธรรมะนี้จะผุดขึ้นมาสอนเราได้บางคนมีเสียงหลวงพ่อประกอบด้วยน ะ, ะมีเสียงประกอบบางคนมีหน้าประกอบด้วยนะถ้าเสียงประกอบนี่ยังสบายใจดูไป น, นะความมีหน้าประกอบนี้นะั่งเกง่งไม่เฉพาะอยู่ที่ที่วัดนะอยู่ที่บ้านพอเห็นหน้าประกอบนี่นก็จะเก่งขึ้นมาละใครๆเป็นมัน้งใครๆมีเสียงผุดมั้งเยอะแยะ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 ไล่ที่เกินที่พระพุทธเจ้าสอนหรือท่านสอนีิสู่ทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ชัดว่าเดินอยู่หมายถึงว่ารู้ว่าสิ่งที่เดินเนี่ยไม่ใช่เราเดินรูปมันเดินรูปมันเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเดินมีกี่จังหวะหกเจจังหวะอะไรไม่มีไม่ได้สอนหรือขยับไม้ขยับมือนะหลวงพ่อเทียนท่านพัฒนาเทคนิคมี14จังหวะขยับ